กินเหล้าเมายาไม่มีศีลไม่มีธรรมเฮ้เขาคุกมันสมองแล้วก็ให้หัวหน้าแร้งกินหัวหน้าอีแร้งไม่กินเลยเขาว่างั้นนะขนาดคนโบราณเขายังพวักแร้งไม่กินคนชั่วเนี่ยแร้งไม่กินมันอาจจะมีตำรามาจากที่นู้นแหละเดี๋ยวนี้เขาก็ยังพูดอยู่อันนีค้คือเขาเลี้ยงพวกอีแรง้ง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 เห็นซากศพเป็นร้อยยังเป็นร้อยกิโลเนี่ยห่างไกลถึงร้อยกิโลยังเห็นซากศพแต่ทําไมเธอท่านไม่เห็นเหรอตาขายบ่วงทําไมมาติดบ่วงทําไมท่านไม่เห็นแล้วว่าบ่วงมีแต่เขาว่าตาอี๋นแรงเนี่ยตาดีมาก่มองเห็นบ่วงแต่ไกลได้อิแล้รงตอนนั้นตอบขึ้นมาว่า ถ้าหาวาความพิราษแต่ความพิราษและกรรมมาถึงตัวเองแล้วถึงจะอยู่ใกล้ๆก็มองไม่เห็นเพราะว่ากรรมอ่ะกรรมคือการกระทําระอว่าเป็นเรื่องของที่จะต้องได้ใช้กรรมแล้วมันจะมองไม่เห็นขนาดูุดจุดใกล้ๆก็มองไม่เห็นนายพานปอกอื้มถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าจะไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าท่านนะเราจะปล่อยท่านไป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 เขาต้องการความสุขเราต้องการความสุขอย่างที่เขาต้องการอย่างที่เราต้องการอันนี้เลยคือการภาวนาแผ่เมตตาจากนั้นกับริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโผลอย่างหลวงตาท่านบอกว่าตะกอน่ยท่านกําหนดลมหายใจเข้าออกเฉยเฉยมันหลุดได้ง่ายจิตใจมันเผลอได้ง่ายแหมมันไม่อยู่กับตัวมันลดออกเร็วจากนั้นท่านบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโผลมีพุทธ โ่ด้วย่มันมีสองทั้งลมหายใจด้วยทั้งพุทธโถด้วยใจของท่านรวมสงบได้น่เมื่อใจสงบรวมสงบแล้วก็ใจของท่านมีหลักมีกฎมีเกณฑ์เมีความรู้สึกในใจว่าไม่เสื่อมใจของเราไม่หลุดอีกแล้วอยู่ได้ทีนี้เพราะบังคับให้อยู่กับกรรมฐานพุทธโะนี่แหละอันนี้หละคือกรรมฐานเบื้องต้นขององค์หลวงตาท่านกับพูดใน ตำรับตำราที่พูดในแนวปฏิบัติขององค์ท่านจากนั้นท่านก็เมื่อจิตใจสงบรวมเป็นหนึ่งแล้วท่านกดไปกราบหลวงปู่มัน่นจัดใจของท่านสงบแน่นปึงเลยเดี๋ยวเนี้ยอนั่งทั้งคืนก็ได้อไม่ไปไม่ปรุงไปพุป่งไปที่อื่นหลวงปู่มั่นกันแน่น่ะว่าต้องนํามาพิจารณานะให้มันออกพิจารณาอแต่หลวงตาท่านบอกว่า มันกําหนดไม่ออกมันอยู่แล้วมันอากจะอยู่ที่เก่ามันไม่ออกของปู่มันบังคับบังคับให้ออกอยู่ทาไมไม่ใช่นั่งสงบอยู่อย่างเดียวไม่ได้มันไม่เกิดประโยชน์อสมาธิในความสุขในสมาธิที่เหมือนกับเนื้อติดฟันท่านเองมันไม่เป็นเนื้อเป็นหนังอะไรเหมือนเนื้อติดฟันท่านเองความสุขในสมาธิอย่าไปติดบังคับให้ออกบังคับให้มันคิด อคือให้บังคับให้อยู่ในกรรมฐานห้าเกสาโลมานขาทันตาตะจูให้ออกมาพิจารณากรรมฐานห้าจากนั้นก็หลวงตากับหลวงปู่มั่นดุให้ก็มานำมาพิจารณากรรมฐานพอพิจารณากรรมฐานอะไเนี่ยมันปงฟุ้งคิดอยู่ทั้งคืนทั้งวันตอนไม่หลับเียเพราะมันปงอยู่ในกรรมฐานอามันไม่ได้เข้าสู่ความสงบมันคิดปงอยู่ตลอด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 เนี่ยมันปรุงเข้ามานอนไม่หลับมัจะเป็นบ้าเอาที่นี่มันคิดปรุงฟุ้งตลอดเนีเข้าไปกราบท่านอีกผมมันออกมาแล้วนะจนนอนไม่หลับมันปรุงฟุ้งไปตลอดเนี่ยหลวงปู่มั่นเท่านั้นแหละมันหลงสังขารมันบ้าสังขารเดี๋ยวมันจะเป็นบ้าน้่น่ะต้องบังคับให้มันอยู่สงบสิเลนี่แหละอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะเป็นผู้แนะแนวแนะนาให้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 เคยให้ใจพักผ่อนในเมื่อใจพักผ่อนพอเป็นแนวทางเป็นกําลังแล้วนํามาพิจารณาทำมาพิจารณาเสร็จแล้วก็นามาพักผ่อนพักผ่อนฉจแล้วก็นําไปพิจารณาพิจารณาเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายเลยมีแต่ทางานทั้งวีทั้งวันดูสิมันจะไหวไหมไม่ไหวเหมือนกันะต้องมาพักผ่อนนอนทานอาหารเสร็จแล้วก็พักผ่อนพอพักผ่อนเสร็จแล้วก็ไปทํางานอีกพอไปทำงาน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 คือทำจิตใจให้สงบจิตใจให้นิ่งอันนี้เรียกว่าสัมถาทัติปัสนาคือทาให้คิดตามเหตุและผลกันกลองด้วยเหตุและผลนี่แหละวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องดนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านที่หลวงพ่อได้กล่าวเป็นแนวแถวของสายลุงปู่มัน่นเป็นแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ดัานได้มักได้ผลมาแล้ว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 ตำรานั้นพูดอย่างนั้นตำราที่พูดอย่างนี้เพ่งอย่างนั้นเออเพ่งกระสินอย่างโน้นเพ่งกระสินอย่างนั้นชานชาญอย่างนี้พลังยุ่นพลังอย่างนี้มันมีแต่ออกทางนอกทั้งนั้นมันไป่ได้เข้ามาสู่จุดหมายปลายทางทําไหมเรามาศึกษาสายในหลวงปู่มัน่นเรายังไม่ไว้ใจหลวงปูม่มั่นใช่ไหมเรายังไม่เชื่อในปฏิปทาของหลวงปูม่มั่นใช่ไหม